ขอกราบนมัสการท่านพระอาจารย์พระมีชัยรัตนปัญโยที่เคารพอย่างสูงค่ะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่หกกันยายนพุทธศักราช2557ขึ้น13าข้าเดือนสิบปีมะเมียเป็นวันที่สมของการปฏิบัติธรรมหลักสูตรอาณาปานาสติโดยท่านพระอาจารย์สมทบปาระกะโม ขอกล่าบอารัธนาท่านพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาแสดงธรรมเพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อการทําความเพียรของเหล่าโยคียกล่าบอารัธนาพระอาจารย์เจ้าค่ะครัอ า, อาจารย์ครับเดี๋ยวขอนิมนต์ตอบคำถามนะครับผมยังไม่รู้ขั้นตอนปฏิบัติอานาปานสติช่วยอธิบายขั้นตอนให้ปฏิบัติได้จริงๆด้วยนะครับอ๋อขั้นตอนของการเจนนรณาวัสดิกรรมฐานนโยมนะ เนื่องจากว่าคอร์สนี้เป็นคอร์สปฏิบัตินะแล้วก็ปกติการปฏิบัติที่ปฏิบัติแบบที่เราทํากันนี้คอรวันนะครูบาอาจารย์ก็จะเป็นคนให้กรรมฐานแล้วก็ให้ไม่ตั้งแต่ต้นยันจบเขาจะไม่ให้ทําอย่างนั้นกันนิยมเนาะเขาจะค่อยๆให้ไปแล้วให้ผู้ปฏิบัติลองปฏิบัติไปเมื่อติดก็ค่อยแก้ติดก็ค่อยๆแก้นาหลักการของการให้กรรมฐาน นะเวลามักจัดคอร์สปฏิบัติเข้าทํากันอย่างนี้แต่ถ้าบุคคลใดไม่รู้อ่าธมะไม่ป้านใจว่าคําถามนี้คือต้องการอยากรู้ตั้งแต่ต้นยันจบจนถึงวิธีปฏิบัติยันอรหัตตมักหรือเปล่านั่นเองเนาะถ้าอยากได้ขั้ น, นตอนจนถึงบรรลุอรหัตตมักอรหัตผลอย่างนี้นะ้อโยมเนาะเออมันต้องใช้เวลาเจ็ดวันยนะังไม่พอนะ้โยมเนาะถ้าเมื่อกี้ตั้งคําถามรู้สึกจะเป็นผู้ชายใช่ผู้ชายเนาะถ้าเป็นผู้ชายก็อรรมะก็แนะนําว่า ก็าหาเวลาว่างๆนะโยมหลายเดือนหน่อยแล้วก็มากราบเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ก็เลยชอบองค์ไหนก็ไปหาเลยโยมแล้วเขาสอนตั้งแต่ต้นยันจบให้นะเมื่อเรียนรู้อย่างแตกฉานว่าจะเจริญอาณาบัสิติตั้งแต่ต้นยันจบอย่างไรครบทั้งหมดคราวนี้ก็จะเจริญง่ายหมดแล้วนะแต่อันนี้ก็คือบอกหัวสอวิธีนะโยมนะวิธีหนึ่งก็คือวิธีที่เราทำกันอยู่ในะขณะนี้อีกวิธีหนึ่งคือวิธีแบบนักบวช นักวิธีแบบนักบวชก็คือว่าบวชจะบวชปุ๊บ5้พรรษาแรกเขาเรียกว่าพานวักะเมื่อเป็นพานวักะปุ๊บเขาจะเรียนก่อนเรียน5ปีแรกเรียนไปปฏิบัติไปเรียนไปปฏิบัติไปเน้นการศึกษาข้อมูลเป็นหลักเล้นการปฏิบัติจริงบวชมาก็เพื่อพ้นจากวัตรทุกข์นิยมเนาะเพราะฉะนั้นการเรียนก็เรียนไปเพื่อพ้นจากวัตรทุกข์ทั้งหมดเลยไม่ได้เรียนไปเพื่ออย่างอื่นนะเพราะฉะนั้นนักบวชก็จะเริ่มจากการศึกษา ตลอดห้าปีแรกเลยเรียนเหมือนเรียนไปไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอย่างนั้นนิยมนะแล้วก็เรียนทุกวันทุกวันทุกวันนั่นเองจะเป็นแบบเดียวกันกับเหมือนกับที่ชาวโลกเขาไปเรียนมหาวิทยาลัยนะแต่ของมหาของชาวโลกอาจจะเรียนแล้วกลับบ้านแต่ของนักบวชเรียนแล้วก็อยู่ที่นั่นอยู่กับครูบาอาจารย์เลยนะแล้วก็เรียนปุ๊บก็มาใช้เรียนปุ๊บก็มาใช้เรียนปุ๊บก็ไปใช้พยายามพัฒนาขึ้นสงสัยอะไรก็ อยู่ใกล้ชิดกับอุปชาครูบาอาจารย์เลยทันทีก็เลยบอกวิธีไว้2วิธีนะส่วนในคําถามมาบอกวิธีการศึกษาคือศึกษากรรมฐานสองวิธีนะแต่ในคําถามถามว่าอยากรู้วิธีการเจริญอานาคานสตินั่นเองเพราะฉะนั้นก็จริงๆองาจารย์ทรงทบอบบอกไปเยอะแล้วนาะแต่เนื่องจากว่าโยมอาจจะฟังและอาจจะท่านให้ข้อมูลเยอะนั่นเองแล้วโยมเมื่อโยมฟังไม่ประติดประต่อก็อาจจะเข้าใจหรือ ตั้งความเหนม็นว่าฉันอยากจะรู้แค่การเจริญอนานาปัสติเท่านั้นเวลาเขาเวลาครูบาอาจารย์เขากระตุ้นตุ้นอินทรีย์ให้เช่นกระตุ้นศัทธาหรือศัทธนนินรีย์ให้ตุ้นหรือกระตุ้นวรยินทรีย์สมาสตินีสมาตินรีย์ปัญญีนีให้เราก็รู้สึกว่าคําพูดของท่านไม่ได้พูดเรื่องอนานาปัสติอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าโยมฟังด้วยใจกว้างๆนะฟังแบบ ต้องการจะเรียนรู้ข้อมูลนั่นเองนะโยมก็จะรู้ว่าทั้งหมดที่ครูบาอาจารย์พูดไปนั้นเป็นการพูดเพื่อเสริมเสริมให้เราเจริญอาณาพันสติได้ตั้งแต่จะมามานั่งหรือมาที่คอร์สนี้แล้วก็ได้ยินได้ฟังที่พูดไปส่วนใหญ่พูดไปทั้งหมดเพื่อประโยชน์แก่การเจริญอาณาพันสติทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเริ่มจากพูดเรื่องศีลก็ตามพูดเรื่องเมตาก็ตามทั้งหมดเพื่อจะทาให้ เป้าหมายคือการเจริญอนาบัสติเกิดขึ้นได้จริงนั่นเองเพราะฉะนั้นก็กลับไปที่คำถามนะว่างั้นจะเริ่มจเจริญอย่างไรก็เริ่มจากมีสติถ้าตามภาษาบาลีแปลเป็นไทยก็คือมีสติหายใจเข้าหายใจออกถ้าภาษาบาลีนะโยมนะแปลเป็นไทยนะคือมีสติไปเฉพาะหน้าสติมุขขังนั่นเองนะมีสติอยู่เฉพาะหน้าแล้วก็หายใจเข้าหายใจออก อย่างนี้เป็นต้นนะที่ตูจริงๆของพระบาลีที่บอกบอกเท่านี้แหละโยมนะแต่ถ้าเริ่มต้นก็เริ่มตั้งแต่ไหนโยมตั้งแต่นะให้ไปหาเลื่อนไม้นะเข้าไปอยู่ที่โคนไม้นะไปอยู่ที่เลื่อนว่างเข้าไปอยู่ที่ป่าอรัญญคโตวาลุกขมูลลคโตวาสุญญคโตวานั่นเองนะแล้วก็ไปหาที่บ่มอกแล้วก็ไปนั่งคูบาลังนะตั้งกายตรง ดำลงสติไว้เฉพาะหน้าเธอหายใจเข้าหายใจหายใจเข้าก็มีสติรู้หายใจเข้าก็มีสติรู้จริงๆตัวพุทธพจน์จริงๆมีเท่านี้เลยโย่ที่เจริญอาณาปณสติเป็นวิธีการเจริญอาณาปณสติส่วนหัวข้ออีกสี่หัวข้อนะของอาณาปณสตินะัที่เป็นกายานุปัสนาเวทนาจิตตาและธรรมานุปัสนานั้นเป็นอาการเป็นอาการที่เกิดขึ้น ของคนเจริญอน า, นาปัสติโยมเข้าใจอาการไหมโยมนะเมื่อเราตั้งใจจะนั่งอาการนั่งก็เกิดขึ้นใช่มโยมก็คือตัวผลนั่ น, นเองนะอาการก็แบบอธิบายได้ว่าเป็นผลแล้วกันเข้าใจใง่ายๆก็คือเป็นผลเมื่อมีสติหายใจเข้าหายใจออกอยู่นั้นนะอาการนะสี่หัวข้อใหญ่นะแล้วก็สี่หัวข้อย่อยก็คือสิบหกหัวข้อเช่น หายใจเข้าหายใจออกยาวหายใจเข้าหายใจออกสั้นรู้ตลอดกองลมทั้งปวงเราจะเป็นผู้ระงับกายสังขานหายใจเข้าหายใจออกเหล่านี้เป็นต้นนะมันก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นอาการปรากฏเกิดขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าตอบแบบคําถามนะไม่รู้ว่าถูกใจโยมหรือไม่ถูกใจไม่รู้คนไหนถามเนาะก็จะตอบอย่างที่บอกนั่นเองว่าจริงๆแล้วถ้าตามพระบาลีนะตัวพระบาลีที่เป็นอุเทศเป็นหัวข้อนะ พูดไว้ไม่ยาวเลยโยมแต่ตัวนิเทศจึงขยายเราไปตัวนิเทศนะคือคําขยายก็ขยายนั้นในสมัยพุทธกาลเขาคําขยายเขาเรียกนิเทศพอหลังจากหลังจากนั้นมีการรวบรวมนิเทศจึงเรียกนิเทศนี้ว่าอัตคกถาเรียกนิเทศคือคําขยายทั้งหมดว่าอัตคาถาแบ่งพระบาลีคือพุทธพจน์ออกเป็นนิเทศก็คือตัวพระเต้ปิฎกและรวบรวมคําอธิบายปรกย่อย ที่เรียกว่า น, นิเทศเนี่ยเป็นอัตคกถาในยุคแรกๆหรือยุคหลังพุทการปฏิบัติของพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีปัญจลีอัตคาถาเป็นต้นกรุนทีอัตคาถาเป็นต้นอย่างนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่อธิบายก็จะอธิบายถึงว่าขั้นตอนของการเจริญอา น, นาคารสติโดยย่อ ก, ก็คือมีสติเฉพาะหน้าแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกและอาการสิบหกนะของอนาคารสติก็จะปรากฏเช่นอย่างที่บอกไปว่าคือหายใจเข้าออกยาวก็รู้ นะหายใจเข้าออกสั้นก็รู้นะรู้ตลอดกองลมทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกหรือระงับกองลมทั้งปวงหายใจเข้าหายกายะระงับกายะสังขารหายใจเข้าหายใจออกนั่นเองพูดโดยย่อนะตามพระบาลีแต่พอครูบาอาจารย์นะเวลามาแสดงธรรมที่นี่นะก็เข้าใจว่าเขาบอกเท่านี้จะไม่สามารถทำได้ก็ต้องขยายขยายพระ บาลีเหล่านี้นั่นเองเนาะให้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วจะให้ตรงกับตรงกับที่พตระเจ้าต้องการจะสื่อให้เรารู้ว่าเขาทากันอย่างไรก็เป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์สมทบของเราเนาะอธิบายในช่วงสองสาวันนี้นั่นเองนะก็อธิบายเรื่องอาณาประสติแล้วค่อยๆบอกนั่นเองนะโยมนะไม่รู้ตอบแล้วตรงใจโยมไหมนะก็เพราะฉะนั้นก็ให้โยมค่อยๆทําแล้วติดอย่างไรก็ถามถามก็จะบอกโยมก็จะค่อยบอกค่อยแก่ นะวิธีนี้จะทําให้โยมเจริญได้ง่ายและเร็วนะเพราะอยู่ใกล้กับครูบาอาจารย์ที่เขาทําได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเจริญผิดปุ๊บเขา ก, ก็รีบแก้ให้เราไม่งั้นถ้าโยมไม่ได้คนแก้บางทีโยมอาจาจะต้องเจริญผิดไปตลอดหนึ่งปีตลอดสองปีตลอดสาปีกว่าจะรู้ตัวว่าผิดอาจต้องใช้เวลานานกว่าจะจนมันชินแล้วคราวนี้แก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นโยมก็จะไม่รู้ใจที่คําถามนะนะไม่รู้ว่ารู้สึกว่า ครูบาอาจารย์บอกช้าไปหรือเปล่าก็อยากให้ใจเย็นๆเนาะแล้วค่อยๆฟังค่อยๆปฏิบัติไปอย่าใจร้อนนะเพราะว่าตัณหาที่ต้องการอยากอยากจะได้อยากประสบความสำเร็จไวๆไอตัวตัณหาเนี่ยนายโยมเป็นตัวที่ต้องละเป็นสมุททยาศาสตร์นาโยมนะเป็นตัวที่ต้องละแต่ถ้าสนใจอยากรู้ข้อมูลอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าอยากจะเข้าถึงไวๆอะไรไวๆเนี่ยเออตัวนี้ตัวตัณหาเนี่ยเป็นตัวต้องระวัง นะตัวต้องระวังเพราะว่ามันเป็นสมุทัยสัตว์และการเจริญกรรมฐานด้วยตัณหากรรมฐานก็ไม่เรียกกรรมฐานให้เลยะกรรมฐานก็ไม่เรียกกรรมฐานให้เลยเพราะในพระบาลีเขาบอกว่าให้มีสติไว้เฉพาะหน้านะไม่ใช่มีตัณหาไว้ในเฉพาะหน้าแล้วหายใจเข้าหายใจออกออก็ใจเหมือนกันตัวตัวจิตตัวนามธรรมเหมือนกันที่ไปรู้รวมหายใจออกหายใจเข้าแต่ถ้าไม่ใจ่ตัวสติกลายเป็นความต้องการความเป็นความอยากอยากที่จะ รู้ลมอยากที่จะเจอลมวาวๆอยากจะเห็นลมชัดๆอยากจะได้ดีมิบอยากจะรู้ว่าไอที่เขาเรียกว่าข้าวชาญที่หนึ่งเป็นยังไงเป็นต้นข้าวชาญที่สองอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นอย่างไรไอตัวอยากนั่นแหละโยมมันทำลายกรรมฐานทิ้งเลยนะก็ย้ำอีกคำหนึ่งว่าเพราะพระพุทธพจน์บอกว่าให้มีสติหายใจเข้าหายใจออกตัวสติเนี่ยเป็นชื่อของกุศลจิตซึ่งตรงข้ามกับอกุศลจิต นันเองอกุศลจิตก็เกิดจากความต้องการของเรานั่นเองนะเกิดจากความต้องการวรา่ราเลาครูบาอาจารย์จะพยายามบอกให้คลายความต้องการลงก็บอกให้วางใจสบายๆอย่าคิดไปข้างน้นคิดไปข้างหน้ามากนะักแต่เริ่มเข้าใจวิธีการแล้วค่อยๆทําไปตามคันลองของวิธีการนั่นเองเนาะนะนะเพราะฉะนั้นให้ใจเย็นนิดนึงเพราะคอรพราะคอจะมีอยู่อีกหลายวันน่ะโยมนะแล้วค่อยๆทํา ทำอย่างที่วันนี้โยมได้สอบอารมณ์กันแล้วจะมารู้สึกสบายใจพโยมเริ่มได้สอบอารมณ์เฉพาะบุคคลค่อยๆตอบทีละคนทีละคนทีละคนเพราะฉะนั้นโยมครูบาอาจารย์ก็จะรู้ว่าโยมเจริญถูกหรือผิดแล้วก็ช่วยปรับปรุงและแต่งให้จะได้ไปถูกทางเนาะถ้าถูกทางเร็วอะไรก็ง่ายไปหมดนะก็ตอบเท่านี้ในคำถามนี้ก่อนนะโยมเนาะถ้าสงสัยอะไรถามอีกได้นะไม่ว่ากันคาถามถไป ตอนที่ผมนั่งอยู่ก็มีคนมาถามก็เลยขอถามต่อนเนื่องนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมีคนถามอาจารย์เยอะแล้วในห้องก็อาจจะผ่านไปคือตอนที่อาจารย์พาทำกรรมฐานนียครับพูดนำเนี่ยแล้วอยู่ในช่วงที่สบายหรือจิตมันบวบวึเบวงวยเบไม่มีที่ลงเนี่ยครับแล้วก็พยายามจะเอาความรู้สึกไปสนใจที่ลมเนี่ยคือเขาบอกว่าเขารู้สึกไม่คุ้นเคยแล้วก็ มันไม่ชัดเหมือนของเก่าเขาอะที่เขาเคยหายใจเข้าออกแล้วก็อยู่กับคําบริกรรมชัดๆอืมอาจารย์จะ ย, ยังไงดีครับอันนี้อ๋อมันต้องแก้ที่ความเห็นเลยนะอันนี้นะโยมเนาะอันนี้ถ้ายังใครยังรู้สึกติดตรงนี้อยู่ต้องแก้ที่ความเห็นแหมงั้นอาตมาต้องยกตัวอย่างคนค น, นึงให้โยมฟังนะเอาใครดีเนาะเอาตัวเองแล้วกันโยมอาตมาก็เคยเป็นคนหนึ่งที่เจริญกรรมฐานแบบที่โยม พูดพูดมาแล้วตะมาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเพราะตะมาเป็นคนหนึ่งที่จเจริญเองแล้วเชื่อตัวเองเป็นหลักเชื่อตัวเองเป็นหลักว่าตัวเองทําได้ไม่ต้องฟังใครหรอกจะทําเองนะเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดปัญหาอะไรที่โยมผิดผิดพลาดพลากันมาตะมาฟังปุ๊บแล้วมันจะยิ้มสบายใจโยมเพราะตามาเคยเจอมานหมดแล้ว <laughs> นะอาการที่เมื่อกี้โยมที่พี่เนนเขาบอกไปนะตะมาก็เจอมาทนายมนะก็คือ สำคัญว่าลมมันต้องสติเนี่ยมันมีสติสิสติก็ต้องรู้ลมเมื่อสติรู้ลมก็ต้องรู้ชัดๆสิสติเป็นธรรมชาติที่และลึกในสิ่งที่ทําและคําที่พูดไว้ได้นานเพราะฉะนั้นสติเกิดขึ้นมันก็ต้องรู้รู้อย่างชัดเจนแต่ถ้ารู้อย่างไม่ชัดเจนมันก็ไม่น่าจะใช่เพราะฉะนั้นก็จะเป็นความปรารถนาที่อยากได้ลมอย่างชัดเจนเพราะเข้าใจว่าสภาพสติจะต้องเป็นสภาพที่รู้อย่างชัดเจนถูกไหมยโยมเมื่อเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บ ลมมันก็จะไม่ละเอียดให้ลมก็จะไม่ละเอียดให้เพราะจิตที่ตั้งไว้ว่าจะรู้ลมอย่างชัดเจนและเป็นความเข้าใจของเราว่าต้องเป็นอย่างนี้ด้วยนะต้องเป็นอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะบังคับลมให้ลมมันหยาบอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นนั่นเองเราก็จะได้รู้รู้ลมโยมรู้ลมง่ายรู้ได้ตลอดจะรู้สามชั่วโมงก็ได้รู้หกชั่วโมงก็ได้รู้ตั้งแต่เช้ายันเย็นก็ได้แต่ แต่ถ้าโยมทําอย่างนั้นไปปีหนึ่งสองปีสปีแล้วโยมจะเข้าใจว่ามันไม่ไปไหนอีกเลยมันก็อยู่เท่านั้นนะ่ะแล้วทําไมคนแล้วเวลาสมุติได้ศึกษาเป็นเรื่องเวลาวเป็นจริงเป็นจังก็จะบอกว่ากรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานที่มีนิมิตด้วยสติก็จะกล้าแข็งขึ้นด้วยแต่เราก็จะเจอว่าแล้วทําไมต้องหลายปีแล้วเราก็ไม่เราก็ไม่เห็นกล้าแข็งขึ้นเลยอกุศลทั้งหลายที่เป็นดัชนีชี้วัด ของการเจริญกรรมฐานเลยว่าถ้ากรรมฐานเราดีจิตใจเราต้องปลอดโปร่งเบาสบายแจม่มใสนะแล้วก็อกุศลจิตตัวตันหาก็ต้องคลายออกตัวโทสักก็ต้องขายออ ก, ต, ต, อออกตัวถีนมิทะความเบื่อหน่ายความง่วงซึมซึมก็ต้องขายตัวลงเป็นต้นนะตัววิจิตกิจฉาสงสัยในกรรมฐานก็ต้องหมดไปแต่ทำไมยิ่งเจริญยิ่งไม่มั่นใจในตัวเองมากขึ้นมากขึ้น เอออ น, นี้มายกตัวเองนะยกตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าโยมคนไหนเป็นเช่นนี้ก็รีบเปลี่ยนความเห็นซะส่วนโยมคนไหนยังไม่เป็นอย่างนี้ก็อย่าเป็นอย่างนี้อย่าตั้งใจว่าคือล็อกสเปคกกรรมฐานว่าต้องเป็นอย่างที่ใจเราต้องการก็คือใช้ทิฏฐินั่นเองนะใช้ทิฏฐิในการจะเจริญกรรมฐานก็เพียงแต่คลายความเห็นส่วนตัวลง ยอมรับความจริงว่าเรายังไม่ยังไม่เข้าใจเนี่ยคือยังไม่เคยปฏิบัติกรรมฐ า, านแล้วมันมันเข้าถึงจริงจริงเมื่อไม่เคยเข้าถึงเหมือนกับเราสมมตินะว่าเราไม่เคยไปไปไหนดีโยมไปไปเที่ยวอเมริกานะการที่เราจะเดาไปเองไปต่างๆนานาว่าอเมริกาเป็นอย่างงี้เป็นอย่างนี้เดาได้โยมแต่อย่าไปเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นตามที่เราคิดส่วนใครก็ตามที่เขา เคยไปเห็น <c oughs> เคยไปพบปะประเทศนั้นมาแล้วเมื่อกลับมาบอกเราเอ้ยไอความเห็นที่เราเข้าใจว่าคนอเมริกาเป็นอย่างนี้พื้นที่อเมริกาความเย็นความหนาวอะไรอย่างนี้เป็นงนี้เป็นต้นเออแล้วแล้วรสมมติเขาเคยไปแล้วเขามาบอกเราแต่เราไปเชื่อความเห็นตัวเองอยู่นะไม่จริงฉันอเมริกามันต้องเป็นแบบที่ฉันพูดอย่างนี้เท่านั้นแปลว่าเราพูดถูกหรือเราเข้าใจผิดเราเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดเอ่ยก็เรานั่นเองนี่เข้าใจผิดนั่นเองเนาะ แล้วผลมันเกิดโทษกับใครกับเรานั่นเองนะเพราะฉะนั้นคำถามที่เมื่อกี้ตอบตอบอ้อมมากไปหรือเปล่าไม่รู้นะโยมเนาะก็คือสื่อว่าให้เปลี่ยนความเห็นก่อนนะแล้วลองเลงลองเจริญกรรมาฐานนะตามที่แนะนําและลองปล่อยใจสบายๆแล้วลองทำตามเลยนะถอดความเห็นตัวเองออกก่อนหรือปล่อยละความเข้าใจส่วนตัวว่ามันต้องเป็นอย่างที่เราคิดต่างหากเราออกก่อน แล้วลองค่อยๆปล่อยใจสบายๆลองทําตามดูเนาะอาตมาให้ให้ความเห็นอย่างนี้ดีไหมโยมถ้าสมมติสมมติมันผิดเราก็ไม่เสียหายอะไรสมมตินะที่ครูบาอาจารย์กําลังบอกโยมสมมุติว่ามันผิดเลยแล้วเราเสียหายอะไรไหมก็ไม่เสียหายเพราะเรารู้สึกสบายใจที่ได้ปฏิบัติสบายใจที่ได้จเจริญอนาคานสติไม่รู้สึกเครียดไม่รู้สึกทุกข์ไม่สึกกังวลอะไรด้วยตอนปฏิบัตินะ เนไมยโยมแต่ถ้าครูบาอาจารย์บอกถูกเราแล้วเราทําแบบเก่าต้องให้มันชัดๆนะต้องต้องตั้งใจชัดๆแล้วก็เกรงแล้วก็พยายามแรงๆอย่างนี้เป็นต้นนะและกรรมฐานก็ไม่พัฒนาไปเนยไหนเลยได้แต่ความปวดเมื่อยอ่อนล้ามาแทนนะแล้วถ้าอาจารย์บอกถูกล่ะเราจะเป็นคนพลาดโอกาสนะนะงั้นก็ลอง คำตอบก็คือสรุปคำตอบนะให้เราลองวางใจว่ากรรมฐานให้เป็นไปตามธรรมชาติลมถ้ามันจะเบาเราก็จะไปสำคัญว่ามันต้องหนักๆอย่างที่เราเคยทำหรือว่าเป็นอะไรที่ต้องชัดๆนะนะเพราะธรรมชาติของลมเราประมาณการได้นะโยมนะยิ่งใจเราผ่อนคลายเท่าไหร่ลมก็ต้องยิ่งเบาลงอันนี้เป็นประโยคตกระที่เราจะเข้าใจได้ว่าเออถ้ายิ่งเรานั่ง นั่งเฉยๆนานๆเท่าไหร่ลมก็ต้องยิ่งเบาเป็นธรรมชาติเนาะซึ่งต่างจากที่เราไปวิ่งหรือไปเดินลมก็ต้องหยาบอันนี้เราเห็นได้ชัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขณะที่เรามีสติรู้ลมอยู่มันก็ไม่แปลกเลยที่ลมมันจะค่อยๆเบาลงเบาลงแล้วเบาล ง, ลาลงนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ลมที่ละเอียดแล้วก็เบาลงไปเรื่อยๆนั้นถ้าตาบอกตามผิดตามผลก็จะอนุโมทนได้ว่ามันไม่น่าจะผิดนะและการที่เราวางใจสบายๆ นะจนความรู้สึกปีติปาโมกเกิดเอ๊ะมันก็ไม่น่าจะเป็นฝักฝ่ายของกุศลได้นี่นาะแล้วยิ่งถ้าเราละความต้องการอยากรู้ได้ล็อตั้งละทิฏฐิที่สำคัญว่าต้องเป็นอย่างที่เราสำคัญได้อ้าวตัณหาก็ดีทิฏฐิก็ดีมันก็เป็นกลุ่มของกุศลไม่ใช่หรือนะหลักการของคำสอนพุทธเจ้าก็บอกสัพเพธรรมานตา ทำทั้งหลายไม่มีตัวตนนั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นไปตามคันลองของมันนั่นเองคือเป็นไปตามหลัก <c oughs> เหตุหลักผลถ้าภาษาบาลีก็เรียก <c oughs> เป็นไปตามปัจจัยะ <c oughs> เป็นไปตามปัจจัยของมันเมื่อเราให้องค์ปรกรบกับมันถูกมันก็จะเป็นไปตามปัจจัยที่มันจะเป็นเพราะฉะนั้นมันอย่าตั้งไปด้วยความเห็นของเราว่ามันจะเป็นอย่างที่เราต้องการนะอย่าตั้งว่าจะเป็นอย่างที่เราต้องการเนาะก็ตอบคาถามนี้ตรงนี้น่าจะพอสมควร แก่คำถามถ้าสงสัยถามใหม่นะโยมเนาะครับช่วยอธิบายความหมายของชาหนึ่งถึงชานสี่ให้ด้วยครับอธิบายชาหนึ่งถึงชานสี่เลยเหรอเอ๊ะเดี๋ยวนะครับเขาเขียนเขาเขียนเหมือนชานแต่เขาเขียนว่ายานครับยานหนึ่งถึงสี่ยานไม่ใช่ชาญครับผมอ่านวานไม่ผิดใครเป็นเจ้าของคำถามเอยชาหรือยานเย ันเขียนว่ายานนะแต่ไอเนื้อความมันเป็นชาญเนอืยเพราะมันใช้ยอหญิงไม่รู้เขียนผิดหรือเปล่าต้องถามเจ้าของดูว่าเอาอยานหรือเอาชานเนี่ยไม่ตอบนะข้อสองอยางจะตอบเป็นคนละอย่างกันนะโยมนะมันยาวด้วยขออนุญาตข้ามแล้วกันเนาะทางสายเอกคืออะไรท า, าทางสายเอกคืออะไรครับอันนี้ ทางสายเอกนะถ้าคําถามเรื่องทางสายเอกเนี่ยจะมาอนุมานว่าโยมคงสายจะถามจากสติปัฏฐานสูตรเนาะเอกายโนโมัคโคนั่นเองนะทางเดียวนะมื่อเขาจะมาในพระ ส, สูตรเรื่องสติปัฏฐานสูตรเขาก็จะพูดเรื่องการเจริญสติปัฏฐานนั่นเองว่าการเจริญสติปัฏฐานสี่ไม่ว่าจะเป็นกายเวทนาจิตและธรรมเป็นทางเดียวที่จะให้ถึงพระนิพพานได้ ก็คือการเจริญสติปัฏฐานนั้นก็คือการเจริญอริยมรรคนั่นเองเพราะว่าอริยมรรคก็เป็นทางเดียวเหมือนกันถ้าเราพูดในใน อ, อริย ส, สัจสีนะโยมเนาะอริย ส, สัจสีก็จะบอกว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้สมุทยัยคือตัณหาเป็นธรรมที่ต้องระนิพพานคือสิ่งที่ต้องทําให้แจ้งมรรคเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทําให้เกิดนะถ้าพูดตามอริย ส, สัจสีก็ว่าทางสายเดียว ก็ต้องเป็นอริยมรรคจะพูดในสติปัฏฐานสูตรกลายเป็นสติปัฏฐานาสีถ้าพูดสัมมาประธานล่ะมันกลายเป็นสัมมาประธานถ้าพูดอธิบาตสี่ล่ะทางสายเดียวกลายเป็นอธิบาตสี่ถ้าพูดอินทรีย์ทั้งห้าภะละห้าหรือไปพูดโพชฌงเจ็ดไอ้ทางสายเดียวนั้นกลายเป็นอินสี่ห้าภะละห้าโพชฌงเจ็ดถ้าสรุปพยมฟังก็คือไอ้คําว่าทางสายเดียวก็คือเจริญโพธิปักพิยธรรม โพธิปักขีย์ธรรมแปลหน่อยน้าโยมเนาะโพธิแปลว่าการตัดสรุ้ปักขีย์แปลว่าฝักฝ่ายธรรมแปลว่าทำนะคือทำแปลธรรมว่าอะไรดีแปลว่าเครื่องมือดีกว่าเครื่องมือหรือหนทางที่เป็นฝักฝ่ายแห่งการตัดสรุ้โพธิญาณโพธิญาณมีสามเนาะซึ่งอาจารย์สมทบบอกไปแล้วมีสัมมาสัมโพธิญาณปักเจกับโพธิญาณแล้ว สาวกกบารมียานนั่นเองนะเพราะฉะนั้นโพธิปัจขิยธรรมจึงเป็นฝากฝ่ายแห่งการบรรลุโพธิญาณทั้ง3ก็มีทั้งสติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานนะอิทิบาท4อินทรีย์ 5, 5พละหโพชฌงเจ็อริยมรรคมีองค์แมีเจ็ดหมวดนะในโพธิปัจฉิยธรรมไม่ว่าหมวดใวดบวกหนึ่งก็ชื่อว่าเอกายโนมัคโคทั้งนั้นแต่คําว่าเอกายโนมัคโคมาจากในสติปัฏฐานสือหูนะเพราะประเทศไทยเราจะฮิตสติปัฏฐานสูตรพอสมควร ผู้คนหรือพะาอาา ร, รอพะพครูบาอาจารย์ก็ดีหรือว่าพระพิสุส่์ที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ดีหรือญาติโยมที่เป็นโยคโยคะวาจินทั้งหลายจะชินกับคํานี้ชินกับสติปัฏฐานสูตรนะเธอมีสติปัฏฐานสูตรไหมอย่างนี้เป็นต้นเนาะก็จะถูกสอนเรื่องนี้มาเป็นเวลาในประเทศไทยเรื่องพระสูตรนี้จะถูกพูดกันเป็นเวลานา น, านเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ยินกันนะเพราะฉะนั้นถือว่าตอบพอสมควรแก่คําถามนาิโยมนะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เจริญ สิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าในสติปัฏฐานสูตรเเพิ่อมอีกหน่อยแล้วกันโยมถ้าเจริญสติปัฏฐานสูตรนะก็แบ่งเป็น4ก็คือกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสนาติปฏฐานแลก็ัานุปสสนาติปัฏฐานเนื่องจากจะพูดให้เข้ากับหัวข้อที่เรามาเจริญกรรมฐานเนาะานาปนสติเป็นทั้ง กายานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นทั้งเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นทั้งจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานและเป็นทั้งธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานแต่เป็นคนระยะเป็นคนระยะระยะกันนะระยะที่ต้องเจริญกายก็ต้องเป็นช่วงที่เจริญกายระยะที่ต้องเจริญเวทนาก็เป็นเวทนาท่านันระยะที่เจริญจิตหรือธรรมก็เป็นขั้นตอนหรือเป็นระยะเป็นจังหวะนั้นๆ แต่ส่วนใหญ่คนที่นั่งอยู่ที่นี้ที่จะมาฟังสอบปรมลมวันนี้ฟังมาครึ่งหนึ่งจะเป็นส่วนของการจะต้องเจริญกายานุปัสสนาทั้งสิ้นยังไม่มีใครพร้อมที่จะต้องได้เจริญเวทนาหรือจิตหรือธรรมเลยยังไม่ถึงเวลาเนาะเพราะในอนาคัสติเป็นทั้งกายเวทนาและจิตธรรมในสติปัฏฐานสูตรทั้ง4เลยนะอันจะเป็นได้ทั้งหมดนั่นเองเพราะฉะนั้นขณะที่โยมได้มาเจริญ อานาปนาสติก็ชื่อว่าโยมได้เริ่มเจริญบุพาพาคมภีร์ซึกงอามาจะเคยพูดไปแล้วนะว่าสมัยก่อนเขาใช้คําว่าเจริญบุพาพาคมภีร์นะเจริญเบื้องต้นแหน่งมรรคสติปัฏฐานเป็นบุพภาคนะแล้วก็เป็นมรรคเบื้องปลายด้วยมีปนกันนั่นเองปนกันทั้งสองแต่ช่วงนี้ของเราเรียกว่าเจริญบุพาพาคมภีร์นะสมัยโบราณเขาใช้คํานี้ พอสมควรแก่คำถามนิยมถามเนาะต่อไปขอเป็นคำถามเหนือธรรมชาตินะไม่ว่าจะไม่มีมีจนได้นะอยากทราบเรื่องจิตวิญญาณของคนที่เพิ่งตายไปแล้วดวงจิตวิญญาณจะไปอยู่ที่ไหนคำถามนี้ถามว่าถ้าบุคคลหรือตัวเราเป็นต้นนะ เสียชีวิตแล้วจิตวิญญาณจะไปไหนนะถ้าวนคำถามนะเอองั้นขออธิบายอันนี้ที่อธิบายจะพยายามให้มันสั้นนะจะพยายามนะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องที่บอกก่อนว่าขันมีหโยมขันมีห้าคือรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันแล้วก็วิญญาณขันขันห้านี้รูปกายหรือรูปขันก็คือร่างกายทั้งหมดเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์และเฉย เวทนาแปลว่าการสวยอารมณ์นะเวทนาเววิวิททธาตวิททธาต์แปลว่ามีแปลว่ารู้นะเวทนาจึงแปลว่าการรู้อารมณ์ที่เป็นความสุขความทุกข์และเฉยๆนี่เรียกว่าเวทนาขันซึ่งเรารู้อยู่แล้วไหมร่างกายเรามีอยู่แล้วเนาะส่วนสัญญาขันแปลว่าการจดจําจดจํานะจดจําเช่นจําว่านี้เรียกบ้านนี้เรียกตึกนี้เรียกภูเขา อย่างนี้เป็นต้นนี้เลียกสีแดงสีเหลืองสีขาวนะอันนี้เรียกว่าหน่วยเป็นเกี่ยวกับเรื่องความจำนะก็เป็นตัวสัญญาขันนะสัญญาขันส่วนสังขารขันได้แก่สังขาระแปลว่าการปรุงแต่งแปลว่าเครื่องปรุงก็นะแปลว่าเครื่องปรุงเครื่องปรุงอะไรลนะ่ะเครื่องปรุงจิตสังขารขันแปลว่าขันทะขันทะแปลว่ากลุ่มก้อนกรองนะ กลุ่มก้อนกองที่เป็นเครื่องปรุงแห่งจิตนั่นเองนะก็อันนี้จะไม่ลงรายละเอียดเยอะนะมีสตินะสัทธาสติเป็นต้นนะเหล่านี้เขาเรียกเป็นสังขารขันนะหรือมีอกุศลนะพวกกลุ่มกลุ่มอกุศลของอากุศลสังขารเช่นโลภะโทสะโมหะเป็นต้นอันนี้ก็เป็นกลุ่มเครื่องปรุงของจิตเหมือนกันนะไปสี่ขันแล้วนะขันสุดท้ายเขาเรียกวิญญาณขัน วิญญาณขันแปลว่าจิตจิตแปลว่าวิญญาณจิตวิญญาณแปลว่าใจจิตวิญญาณใจแปลว่าตัวความคิดเอเมื่อกี้คำถามถามว่าถ้าคนตายแล้ววิญญาณไปไหนถูกไมโยมเนาะโยมเริ่มเห็นเห็นหรือยังว่าไอวิญญาณภาษาบาลีมันแปลว่าจิตและใจนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าคนตายแล้วถ้าตอบตามหลักเลยนะ จิตใจก็ดับไปแล้วตัวความคิดก็ดับไปพร้อมกับความตายเมื่อดับรูปรู ป, ปรกายก็หมดไปนามกายคือเวชนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็หมดตามไปด้วยเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณ น, นั้นที่ร่องรอยไม่มีไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าถ้าพูดตามหลักนิดนึงเขาบอกว่าคนไทยเรียกผิดเพราะวิญญาณแปลว่าจิตแปลว่าใจแปลว่าความคิดแต่ที่คนไทย ที่ดูจากน้นแล้วก็บอกคนตายแล้วมีมีวิญญาณออกจากร่างนั้นตรงกับภาษาอังกฤษว่า Spirit เนาะตรงกับภาษาบาลีจริงๆว่าอาตาหรืออาตามันไม่ใช่ตรงกับภาษาบาลีว่าวิญญาณตรงกับคำว่าอาตามันอาตามันอาตามันหรืออาตาอาตามันเนี่ยภาษาภาษาในพุทธศาสนาไม่ใช้ใช้คาว่าอาตา อัตาอตาตาก็คือมันเป็นความเข้าใจว่ามีตัวมีตนอยู่เมื่อเราตายพวกตัวตนของเราก็ต้องย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งย้ายจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอยู่อย่างนี้เหมือนคนเดินออกจากบ้านหลังนี้เดินจากออกจากยุบพุทธไปกลับบ้านเดินจากบ้านมายุพุทธหรือเดินจากบ้านมีที่ทางานมีการเดินย้ายที่ย้ายที่นไปเรื่อยๆซึ่งตามหลักของาศาสนาพุทธที่เป็นเรื่องราวแห่งธรรมชาติจะอธิบายว่า ไอ้ความเข้าใจนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องตามความจริงไม่คล้อยตามหลักที่แท้จริงคือความจริงที่เป็นไปเพราะไอ้สปิริตหรืออตาหรืออัตมันที่คนไทยเข้าใจว่าคือวิญ ญ, ญาณ น, นั้นไม่มีอยู่จริงเป็นแต่ความเข้าใจผิดของคนที่ไม่รู้เมื่อไม่รู้จึงนึกว่าเราตายจากชาตินี้ก็ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วตายจากเทวดาก็ไปเกิดเป็น โภมเราตายจากโภมก็กลับมาเกิดเป็นเทวาตายจากเทวดาก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อะไรอย่างนี้เป็นต้นจริงๆแล้วขันห้าที่เมื่อกี้พูดที่มาเกิดเป็นสมมุติเป็นอาตมาแล้วกันตายจากอาตมาขันห้านั้นก็จะหมดไปก็จะไปเอาขันห้าใหม่ไปเอาขันห้าใหม่ในภพภูมิใหม่นะเหมือนอะไรเปรียบเที่ไปเห็นนโยมเนะาะคําถามนี้ไม่งั้นจะตอบยาวจะมาอยากตอบสั้นๆเหมือนอะไรเหมือนโยมจุดเทียนขึ้นมาหนึ่งเล่ม นะจุดเทียนก้อนหนึ่งเล่มเมื่อเทียนที่ไฟจุดแล้วกำลังจะดับและถ้าดับปุ๊บมันจะมืดใช่ไมโยมโยมก็เลยเอาเทียนอีกหนึ่งเล่มมาต่อไฟนะมาต่อไฟแท่งเทียนเก่ามาต่อปุ๊บไฟก็มีตรงนี้นะแล้วไฟแท่งเก่าก็ดับไปเพราะว่าด้วยอาศัยไส้และตัวเทียนหมดน้ำเทียนและตัวไส้เทียนหมดนะไฟนั้นจึงหมด แล้วก็ได้ไฟนั้นก็มาอาศัยอะไรเอ่ยไส้และตัวเทียนใหม่อ่ะอันนี้เป็นคำถามละโยมไฟเก่ากับไฟใหม่เป็นคนละไฟใช่ไหมไฟเก่ากับไฟใหม่มันคนละอันใช่ไหมหรือถามอีกทีไฟเก่ากับไฟใหม่เป็นอันเดียวกันหรือเปล่าไฟอันเก่าที่ดับไปกับไฟอันใหม่เป็นอันเดียวกันไหม เป็นอันเดียวกันไหมส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าไฟเก่ากับไฟใหม่เป็นอันเดียวกันไหมไม่ใช่อันเดียวกันอ้าวงั้นมันโคลนอันหรือก็เราไปต่อมันจากอันนั้นนะไปดึงมันมาจากอันนั้นก็เห็นอยู่มันแยกออกมาแล้วมันโคลนอันได้ยังไงก็ตอนต่อเนี่ยก็เห็นอยู่มันติดปุ๊บไอ้ไฟนั้นก็ย้ายมาจากตรงนี้นะอันอันเก่าหมนก็จริงแต่มันก็มีอันใหม่มาไปเชื่อมมาจากอันนั้นมานี่และอันใหม่ไม่ใช่อันเก่าหรือ ไม่ใช่โดยส่วนเดียวเลยหรือชิ้นใช่ไหมก็ไม่ใช่เพราะมันมีปัจจัยเชื่อมต่อกันมาพอจะเข้าใจคําอธิบายเนาะที่อุปมาอุปไมฉันใดก็ฉันนั้นการเกิดรูปนามในในภพอดีตะภพและรูปนามขันห้านั้นหมดมาสู่ปัจจุบันภพก็เป็นนัยะเหมือนกองไฟที่ดับจากตรงนึงแล้วก็ต่อมาอีกที่นึงอย่างนี้เป็นต้นพอจะเข้าใจในะแต่ถ้าอธิบายยาวกว่านี้กลัวว่าสี่ทุ่มจะไม่จบ นะไม่ใช่อันเดียวกันจะ้ะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดอาศัยอดีตกรรมคือบุญและบาปนะในอดีตที่เกิดขึ้นเช่นโยมทําบุญวันนี้บุญที่เกิดขึ้นแล้วขณะนี้ก็หมดไปแล้วในขณะ น, นี้เมื่อบุญนี้ไปให้ผลโยมก็ไปเกิดถ้ายังไม่หมดวัดตทุกโยมก็ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแต่ถ้าโยมเคยไปทําบาปไว้ถ้าบาปนั้นเคยทําไว้แล้วในสมมติสมมติโยมเคยทําบาปไว้แล้วในสิบปีก่อนเลย บาทน kind of ั้นยังอยู่ไหมหรือหมดไปแล้วหมดไปแล้วแต่ผลของมันจะให้ในอนาคตการกระทํามันจบไปแล้วนะวันนั้นเมื่อสิปีก่อนมันหยุดกระทําไปแล้วเห็นไหมความเชิดโกรธความโกรธนั้นก็หยุดไปแล้วหรือการฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์นั้นก็หมดไปแล้วคือหยุดไปแล้วแต่มันจะให้ผลในอนาคตนะไอตัวกุศลกรรมที่ทําแล้วก็จะให้ผลในอนาคตตัวกุศลกรรมที่ทํำแล้วก็จะให้ผลในอนาคตเมื่อมันให้ผลมันก็ให้เป็นขันทั้งห้ามี รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณใหม่ทั้งหมดในอนาคตนั่นเองที่บายประมาณนี้นะโยมนะส่วนใครอยากรู้ละเอียดอยากรู้ละเอียดไหมโยมจะมาอยากให้เจอมีอยากอยากให้โยมในที่นี้ทุกคนเลยอยากรู้ละเอียดละเอียดถ้าอยากรู้ละเอียดจะ ม, มาแนะนําว่ามาเรียนเป็นจริงเป็นจังเลยดีกว่าโยมเพราะคงจะอธิบายหมดไม่ไหวเพราะว่ายิ่งอธิบายก็ยิ่งลึกยิ่งอธิบายก็ยิ่งลึกนะ คำถามจะไปดีไหมเหตุการณ์ณวันหนึ่งบ้านที่มีงานทําบุญเลี้ยงพระตั้งสารพระภูมิเกิดปรากฏการคือหลังจากทําบุญเกิดพระอาทิตย์ทรงกฎหมายความว่าอย่างไรมีการทําบุญที่บ้านนะแล้วก็มีตั้งสารพระภูมิและเกิดพระอาทิตย์ทรงกฎมันหมายความว่าอย่างไรใช่ไหมเอ่ยเอออาจรมาเคย ได้ยินเหตุการณ์นี้อีกนะโยมอย่าว่าทําบุญบ้านอย่างเดียวมีทีหนึ่งที่อุบลราชธานีเขาบรรจุพระาธาตุโยมตอนแรกแดดก็ร้อนเปียงๆ เ, เ, เ, เลยโยมแต่พอหยิบพอไปอัญเชิญพระาธาตุออกจากที่ที่โล่มออกมาแล้วคนก็แห่เอาพระาธาตุออกมาพอแอาแห่มากลางแจ้งเมฆฝนก็คลุ้มมาเชียวโยมเหมือนฝนจะตกสักครู่หนึ่งฝนก็ตกโปรยเมื่อประธานในพิธีก็ยก พระาตนั้นขึ้นจะไปสู่บนเจดีนะพระอาทิตย์ก็ทรงกรดแล้วก็ส่องมาตรงนั้นพอดีนะเด่นมากเลยพอบรรจุเสร็จปุ๊บลงมาปับ๊บฝนก็หยุดตกเมฆก็หายวับไปหมดเลยกระจายไปหมดเลยเออคล้ายๆกันหรือเปล่านะก็อย่างนี้เป็นเหตุการณ์ที่มนุษย์ทำขึ้นไม่ได้นะ ถ้าเราเป็นคนมีความเข้าใจไม่ใช่อาจจะมาไม่ใช่ข้อความเชื่อนะแต่จะใช้คำว่าความรู้ความรู้เหมือนโยมเคยไปเรียนวิชาอะไรอะไรทั้งหลายในโรงเรียนนั่นแหละนะก็เกิดความรู้เกิดขึ้นความรู้ที่รู้จักว่ามนุษย์มีอยู่ใช่ไหมพบมนุษย์มีไหมโยมมนุษยภูมิมีไหมมีถ้าใครไม่เชื่อมนุษยภูมิมีลองจับตัวตัวตัวเองดูสิ ถ้าเรามีอยู่ก็แปลว่ามนุษย์ภูมิมีอยู่เราเป็นมนุษย์ใช่ไหมใช่นะอวัยภูมิมีไหมมีไหมมีถ้าใครไม่เชื่อลองไปดูในตลาดดูซิว่าปลามันมีไหมเป็ดมันมีไหมไก่มันมีไหมกุ้งมันมีไหมนั่นไงอบัยภูมิมันก็มีอบัยสัตว์นะนี่เราเห็นสองภูมินะโยมนะแต่ภูมิที่เรายังหาไม่เจอมีอีกไหมเยอะแยะโยมพวกเทวภูมิเปรตอสุรกายสันนรกนะพวกนี้เขามีอยู่เหมือนกัน นะการที่เวลาเราบุคคลทําบุญหรือมนุษย์ทําบุญนะแล้วบางทีเทวดาที่เขาอยู่รอบๆเป็นต้นเขามาร่วมกับเราด้วยบางทีก็อาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ซึ่งก็ไม่แปลกอะไรอันที่หนึ่งนะอันที่สองอาจจะเกิดจากการใช้คาถาใช้คาถาเช่นใช้คาถาทําให้พระทิศทรงกฎ พระอาทิตย์ก็จะทรงกรดขึ้นมาได้เหมือนกันนะไม่เกิดจากเทวดาละเกิดจากคาถานะบทสวดที่ทําให้พระอาทิตย์ทรงกรดมีอยู่เมื่อสวดบทนี้ปุ๊บพระอาทิตย์ก็จะทรงกรดแต่ห้ามถามนะว่าบทไหนให้ช่วยสวดให้ดูหน่อยนะแต่จะมาจะบอกว่ามีอยู่นะโยมนะมนะงนั้นจะกลายเป็นแต่เรื่องพวกนี้เดี๋ยวจะมาอนาคตข้างหน้าจะต้องถูกโยนนิมนต์ไปตามบ้านแล้วก็สวดพระอาทิตย์ทรงกรดใช่ไหมเนี่ย อา้านั้นจบเท่านี้ดีไหมโยมเนาะคำถามนี้เอาคำถามตัดไปคำถามหมดแล้วเอาหมดแล้วนะอืมมีใครทําให้มันเพิ่มขึ้นมาไหมอืมพอดีผมมีประเด็นเนาะเราได้ฟังคำว่านิวรนกาาชันทะเนี่ยฟังกันทุกวันเลยวันละหลายรอบจริงๆเราเข้าใจมัน ยังไงหรือเปล่าเออนะพอดีผมไปได้บทความมาหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อที่ผิดๆเกี่ยวกับคําว่าการนะ mm. เผื่อเห็นหน้าตาพวกเราเนี่ยคงจะอยู่ในวงการอีกนานเลยแบบจะให้เข้าใจให้มันถูกนะการตั้งท่าทีต่อเรื่องนี้มีความสําคัญมากนะความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการข้อหนึ่งผมจะเป็นคนพูดขึ้นมาแล้วให้อาจารย์เ อ, อ่อให้คอมเมนต์หน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างความ คำว่ากามคือต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างเดียวใช่ไหมครับคาว่ากามต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างเดียวใช่ไหมพอพูดถึงคำว่ากา մ ขึ้นมันคือเรื่องเพศใช่ไหมครับไอกา玛ชันทะอย่างเงี้ยอคำว่ากามกสระกอไกสรามอมากามะที่เป็นภาษาบาลีเวลาสวดเช่นสวดว่ากาโมกาโมคนไทยก็ออกเสียงว่ากามไม่ไม่ออกเสียงว่ากาะจะออกเสียงว่ากามเลย คำว่ากามแปลตรงตัวกับภาษาไทยถ้าเป็นไทยเลยแปลว่าความยินดีพอใจความชอบใจความเพลิดเพลินเหล่านี้เป็นต้นนะถ้าแปลเป็นไทยแล้วจะเป็นว่าน่ายินดีน่ายินดีนนดแปลว่าสิ่งที่น่ายินดีแปลตรงตัวส่วนใหญ่เขาจะแปลกามะว่าสิ่งที่น่ายินดีนะคำว่ากามะจึงหรือกามที่คนไทยเรียกเนี่ยจึงมีสองแง่นะแง่หนึ่งเป็นแง่ของ ตัวอารมณ์ที่เข้าไปรู้คือสีเสียงกลิ่นรสและสัมผัสนะสีเสียงกลิ่นรสและสัมผัสเพราะฉะนั้นสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสชื่อว่ากามเพราะว่าเป็นสีเป็นสิ่งที่หน้ายินดีไม่โยมน่ะยินดีกันไหมโยมอยากเห็นสีสวยๆไหมอยากเห็นภาพสวยๆไหมอยากเห็นที่หน้าชอบใจไหมการเห็นก็อยากจะเห็นสิ่งที่น่าชอบใจหน้า บันเทิงใจน่าพอใจไอ้สีนี่แหละจึงชื่อว่ากามเพราะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความน่าพอใจเสียงวเวลาฟังเพลงมีเสียงเพราะๆทําให้เกิดความชอบใจเสียงจึงเป็นสิ่งที่น่าพอใจทําให้ความพอใจเกิดขึ้นนะเสียงจึงชื่อว่าเป็นวัตถุ ก, กามนั่นเองนะกลิ่นละกลิ่นหอมๆเป็นกลิ่นที่ทําให้เรารู้สึกชอบใจพอใจนะเพราะฉะนั้น กลิ่นจึงเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกว่าชอบใจพอใจกลิ่นจึงเรียกว่าวัตถุกรรมส่วนรสรสอาหารโยมชอบไหมถ้าพรุ่งนี้เขาทำไม่อร่อยปุ๊บเราจะรู้สึกแ้ไม่อยากกินเลยถ้ารู้สึกอร่อยก็หมุนชมแล้วชมอีกมากยูพูดอาหารอร่อยอย่างนี้เป็นต้นเนาะเพราะรสรสอาหารทั้งหลายเป็นสิ่งที่ผู้คนทั้งหลายยินดีและพอใจรสจึงชื่อว่าวัตถุกรม เพราะเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีพอใจคําว่าการแปลว่าสิ่งที่น่ายินดีน่าพอใจนั่นเองเนาะส่วนโพธภพะคือเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยอย่างนี้โยมที่เราจับอุนิ่มจังอุ้ยทําไมผิวนิ่มจังอุ้ยทาไมผิวแข็งมือแข็งจังนี้เป็นต้นไอ้ความนุ่มความแข็งเหล่านี้ที่เรียกว่าสัมผัสนะก็เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจเป็นไหมเวลาโยมนอนที่นอนนิ่มๆกะโยมที่นอนแข็งๆชอบอะไรชอบแข็ง ชอบนิ่มๆ น, นั่นเองเนาะมันชอบนิ่มๆแปลว่าความชอบไปอาศัยที่สัมผัสนิ่มๆแล้วเกิดขึ้นได้ไอ้สัมผัสเหล่านั้นแหละจึงชื่อว่าเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจภาษาบาลีเรียกว่า Once วัตถุกามมันแปลว่าการแปลว่าสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะเดี๋ยวค่อยอธิบายว่าทำไมไปยุ่งอะไรกับเพศสัมพันธ์ในเรื่องเนี้ <c oughs> นะส่วนอันนี้แง่หนึ่งคือตัววัตถุภายนอก ภาษาบาลีเรียกว่าอารมณ์วัตถุภายนอกนี่เขาเรียกอารมณ์นะแต่คนใจเขาคนไทยจะเข้าใจว่าอารมณ์คือตัวความทิศตัวใจใช่ไหมโยมนะอารมณ์ดีแปลว่าใจดีอารมณ์ไม่ดีว่าใจไม่ดีจริงๆแล้วอารมณ์แปลว่าสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองนะแล้วมีจริงๆมี6กอารมณ์มี6กแต่อันนี้ยพูดกามก่อนเอาห้าพอดีกว่านะส่วนกามโดยตรงแล้วคําว่ากามโดยตรงแล้วเมื่อกี้โดยอ้อมนะ คำว่ากามโดยตรงแล้วหมายถึงตัวนามธรรมนามธรรมภายในของคนที่เป็นตัวสภาพที่มีความยินดีพอใจนะเมื่อกี้บอกว่าวัตถุที่น่ายินดีพอใจวัตถุเหล่านั้นทำให้สภาพใจที่ยินดีพอใจเกิดขึ้นไอตัวสภาพที่ยินดีพอใจนี่แหละเขาเรียกว่ากามมัตัณหา หรือบางทีเ็าเรียกว่ากามราคะแต่ถ้าพูดถึงนิวรนเขาเรียกว่ากามชันทะนิวรนกามะแปลว่ายินดีฉันทะแปลว่าพอใจกามฉันทะแปลว่าเครื่องนิวรนแปลว่าเครื่องกลางกันก็คือตัวสภาพสภาพที่เป็นยินดีพอใจที่เป็นเครื่องก า, กางกั้งคุณงามความดีทั้งหลายเรียกว่ากามชันทะนิวรนเป็นสภาพภายในใจนั่นเองนะสภาพตัวนี้จะวิ่งไปชนกับ สีเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เป็นสิ่งภายนอกแล้วก็ยินดีแต่เมื่อกี้เนื่องจากคำถามถามว่าคนไทยจะเข้าใจตอนมาเป็นเด็กๆจะมาเข้าใจก่อนจะเรียนธรรมเข้าใจว่าคาว่ากามนี่ดูน่าเกียดมากเลยเพราะเป็นหมายถึงเรื่องผู้ชายผู้หญิงนะเพราะว่าจะมีคำโบราณอยู่คำหนึ่งนะบุคคลสแสวงทำบุญแล้วก็ต้องการกามกามนั้นคืออะไรคือสีเสียงกลิ่นรสและสตีเป็นที่ห้า และสตีเป็นที่ห้าเพราะฉะนั้นเวลาเขาอธิบายอย่างนี้ก็เลยหมายถึงสีเสียงกลิ่นรสและสตีเป็นที่ห้าเขาก็เลยลืมคําต้นๆ้นคือสีเสียงกลิ่นรสไปเลยพูดถึงสตีอย่างเดียวพอแง่นี้ก็เลยสื่อถึงความเรื่องของผู้ชายกับผู้หญิงนั่นเองนะเพราะมนุษย์มนุษย์ทั่วๆไปก็สแสวงหาสิ่งเหล่านี้แหละโยมนะผู้ชายก็สแสวงหาเหล่านี้ผู้หญิงก็สแสวงหาสิ่งเหล่านี้นั่นเอง เขาก็เลยสรุปตัวกามว่าหยาบที่สุดของกามก็คือตัวที่ห้าที่เขาบอกว่าที่เขาใช้ํานวนว่ามีสตรีเป็นที่ห้าถ้าผู้หญิงก็มีบุรุษเป็นที่ห้านั่นเองนะคําว่าสตรีบุรุษก็คือหมายถึงโภภพธพภะคือสัมผัสนั่นเองแต่จริงๆตัววัตถุ ก, กามคือสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะก็ต่อน่าจะตอบพอเข้าใจนะโยะามเนาะทำไมกามฉันทักที่เราจะต้องละคือ ดูสภาพสภาพใจที่เข้าไปยินดีพอใจในสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองเมื่อจะต้องระสิ่งเหล่านี้นะตาเห็นสีก็เกิดความยินดีหูได้ยินเสียงก็เกิดความยินดีจมูกรู้กลิ่นก็เกิดความยินดีลิ้นรู้รสก็เกิดความยินดีกายรู้สัมผัสก็เกิดความยินดีนะถ้าไม่ยินดีจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอยาก ถ้าเห็นแล้วไม่ยินดีจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดความไม่ยินดีคือหงุดหงิดได้ยินเสียงถ้าไม่ยินดีก็เกิดความหงุดหงิดจะชอบก็ไม่ชอบมนุษย์จะมีปกติชอบก็ไม่ชอบสลับไปสลับมาอยู่อย่างนี้ถ้าชอบมากก็รู้สึกยินดีมากถ้าชอบถ้าชอบน้อยๆเรียกว่าเฉยๆแต่ถ้าไม่ชอบรีกไม่ชอบเลยก็คือโกรธเลยไม่พอใจเลยนั่นเองนะมนุษย์ก็จะมีอย่างนี้แหละโยมเห็นแล้วก็ยินดีไม่ยินดี ได้ยินแล้วก็ชอบไม่ชอบคือยินดีไม่ยินดีอย่างนี้จนถึงสัมผัสก็ชอบกับไม่ชอบอยู่เท่านี้เพราะฉะนั้นการจะละสิ่งนี้ได้จึงอาศัยศีล น, นะเป็นต้นมาขัดเกลากิเลส ก, กับชอบไม่ชอบเนี้ยกลุ่มเนี้ยก็อาศัยเขาเรียกว่าอินเสียสังวรคือการระวังทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ไปเห็นมีการเห็นเป็นต้นที่เห็นและชอบกับไม่ชอบเมื่อกันได้ระดับนี้ปุ๊บก็จะมา การระดับนี้แล้วนะปุ๊บระดับหนึ่งด้วยอินทรีสังวรแล้วก็จะมากันระดับที่สองด้วยใช้กรรมฐานในการกันคราวนี้เขาเรียกว่าการกันชั้นนี้เขาเรียกว่ากันกิเลส ช, ชั้นนีวรธรรมแล้วกันชั้นแรกเขาเรียกว่ากิเลส ช, ชั้นห ย, ยาบหยาบนะแล้วก็ใช้อินทรีสังวรกันก็ไม่ระดับหนึ่งก่อนนะซึ่งเป็นกลุ่มศีลเนาะซึ่งรู้สึกว่าไม่รู้อธิบายไปหรือยังนายโยมนะนะแต่อธิบายอันนี้ไปเดี๋ยวก็จะเพราะในตรนจังหวะนี้ที่เรามันอยู่ในที่ปฏิบัติ ส่วนใหญ่เขากันสิ่งแวดล้อมให้เราแล้วนะจึงจึงไม่พยายามจะอธิบายเสียงวอร์เดียวยาวเพราะฉะนั้นก็มากันนิวรธรรมด้วยอาณาปณสติเมื่อโยมสามารถรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารับรู้ความรู้สึกในการหายใจออกหายใจเข้าแล้วก็อยู่กับเขาได้อย่างนี้นานๆสังเกตนะโยมความที่จิตใจของพวกโยคาวาจรทั้งหลายที่จะเล่นไปหาสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็หยุดลงโดยปริยาย โดยปริยายเพราะฉะนั้นเมื่อโดยปริยายแปลว่าโดยอ้อมเมือ่อเมื่อใจมารู้ลมหายใจออกหายใจเข้าอยู่นี้ใจก็ไม่ยุ่งไปเรื่องคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอยากจะไปทำโน้นทํา น, น, นี้ทํานั้นอยากจะไปใส่ใจสิ่งโน้นสิ่งนี้ที่บ้านเป็นยังไงลูกเป็นยังไงภรรยาสามีเป็นยังไงอย่างนี้เป็นตน้นก็ไม่สนใจเพื่อไม่สนใจอย่างนี้ปุ๊บการสนใจเรื่องภายนอกทั้งหมด <c oughs> เขาเรียกว่าเรื่องการมรรมหรือเรื่องวัตถุกรรมนั่นเองเมื่อละความสนใจไปได้ การมชันทะนิวรณ์ก็ถูกหยุดไปโดยอ้อมเมื่อการมชันทะหยุดเป็นเวลานานๆมันก็หมดแรงของมันโดยธรรมดานะหรือขณะที่รู้ลมหายใจเข้าออกอยู่นี้นะเมื่อละความหงุดหงิดได้เพราะนั่งนั่งอยู่อย่างนี้แล้วรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วเกิดความสุขความป่าปลื้มใจมันก็ละความกโกรธออกได้ความหงุดหงิดความกังวลใจความเบื่อหน่ายความเซ็งออกได้ ที่เป็นกลุ่มโทสะนะ้นจะดิวายติมโทสะได้โดยอ้อมอยู่นั้นพยาบาทปาทะคือความกโกรธความกโกรธนั้นก็ถูกหยุดเมื่อถูกหยุดไปนานๆ น, นานๆนาๆ น, นาๆเข้าความโกรธก็จะไม่ชินกับเราเราก็จะกลายเป็นคนไม่ขี้โกรธเห็นไหมโยมถ้าตัวกาบัญชัญท้ก็กลายเป็นคนไม่ขี้โลภนะคนไทยว่าขี้โลภเนาะเป็นภาษาไทยๆอย่างนี้พอหยุดพอจเจริญอนาคตาาดีไปได้นานๆ ตัวแล้วมีความพอใจในการเจริญกรรมฐานอยู่อย่างนั้นนานๆตัวถีนะมิทักที่เป็นเครื่องกลางกั้นก็เลยไม่เกิดไม่เกิดขึ้นจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่รู้แต่มันไม่เกิดเมื่อมันไม่เกิดนานๆก็เลยเป็นคนกระปี้กระเป๋าเพราะว่าเจริญกรรฐานมันเมื่อเจริญได้มันจะกระพี้กระเป๋าใช่ไหมโยมเมื่อกระพี้กระเป๋ามันก็ตรงข้ามกับถีนะมิทักมันก็สบายอกสบายใจชื่นใจเบิกบานใจของมันอยู่อย่างนั้นได้มันก็ไม่ง่วงนอน ตัวความอ่อนล้าความขี้เกียจก็ไม่เกิดขึ้นนะทีนี้นไม่ทักเลยไม่เกิดเมื่ออยู่อย่างนั้นอยู่ในรู้ลมหายใจออกหายใจเข้าแล้วสบายใจเบิกบานใจของมันอยู่ได้อย่างนั้นอย่างที่โยมพยายามทำกันอยู่เนี่ยแหละอุท ธ, ธะคือความฟุ้งซ่านกุกุจะคือความลาคาญใจก็ไม่เกิดนะเพราะไปรู้ลมหายใจอยู่นั้นเมื่อรู้ไปนานๆตัวนิวรเหล่านี้เมื่อมันไม่เกิดนานๆมันก็จะไม่ชินกับเราอีกต่อไปเราก็จะไม่เป็นคน ฟุ้งซ่าน ง, ง่ายนะไม่คิดเปลี่ยนเรื่องไปเปลี่ยนเรื่องมาง่ายไม่เป็นคนขี้บ่นง่ายนะสุดท้ายเมื่อเรารู้ลมหายใจอยู่อย่างนี้นะแล้วไม่เที่ยวคอยสงสัยเอีมันจะเป็นอย่างนี้จริงหรือเป็นอย่างนั้นจริงหรือพอรู้ไปอย่างนี้นานๆตัวสติสมัมปชัญญะมันมีกําลังกับกันตัววิจิตกิจฉาที่เป็นความสงสัยลังเลใจนะก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่เกิดขึ้นนานๆ มันก็เลยทำให้เราเป็นคนไม่ขี้สงสัยนะแต่กลับการทำให้สติสมัมป ญ, ญญาของเรากลับมีฝกัฝกฝ่ายแห่งสติสมัมปญญะที่ตรงข้ามกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็กลับมาเกิดขึ้นและก็ชินกับเราเป็นคนชินกับสติสมัมปญญเมื่อเราชินคุ้นเคยกับสติสมัมปญญะเราก็จะเป็นคนที่ออมีสติสมัมปญญะง่ายนั่นเองเห็นไหมโยนนิวรธรรมทั้งห ก็จะทั้งห้าก็จะถูกหยุดไปแต่เมื่อกี้อธิบายตัวกามเฉชานิวอนก่อนเดี๋ยวคําถามอะไรยังไงถัดไปอีกทีหนึ่งแล้วกันเริ่มคุ้นกับศัพท์อภิธรรมยังยอมฟังมาหลายวันนะเริ่มคุ้นเรียงังเออเริ่มคุ้นแล้วนะเอาแล้วสรุปคือตัวลมันน่ายินดีหรือว่าเป็นต่ําช้าน่ารังเกียจครับยามไอ้กามเนี่ยแล้วมันต้องปฏิเสธแบบเฮี้ยนเลยใช่ไหมถึงจะพ้นทุกข์ได้วัตถุ ก, กามมันเนี้ยรุ่งขาวเนี้ย ปฏิเสธเฮี้ยนหมดเลยใช่ไหมถึงจะพ้นทุกได้ต้องปฏิเสธหมดเลยไหมโยมต้องหรือไม่ต้องต้องเนาะจ้ะเพราะว่าตัวกาเมฉันทะอีกชื่อหนึ่งเขาชื่อว่าตันหาท่าในอริยสัจสี่เขาชื่อว่าตันหายโยมนะตันหาเขาชื่อว่าโลภะโลภะเขาชื่อว่าตันตันหาเขาชื่อว่ากาเมชันทะหรือกาเมราคะหรือหรือกาเมตัะหาไม่เป็นชื่อเดียวกันหมด เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งนี้แหละเป็นเหตุแห่งวัฏฏทุกข์ทั้งปวงใครก็ตามที่อยากจะพ้นจากวัฏฏทุกข์ต้องละไอ้ตัวนี้เลยทาละตัวนี้ไม่ได้ออกจากวัฏฏไม่ได้คือถ้ายังยินดีในตาคือการเห็นอยู่ก็ต้องมาเห็นอยู่ล่ำไปผู้ใดยินดีในสีผู้นั้นชื่อว่ายินดีในทุกข์ผู้ใดยินดีในทุกข์ผู้นั้นก็ไม่พ้นจากทุกข์ผู้ใดยินดีในเสียงผู้นั้นชื่อว่ายินดีในทุกข์ ผู้ใดยินดีในทุกผู้นั้นก็ไม่พ้นจากทุกผู้ใดยินดีในกลิ่นผู้นั้นชื่อว่ายินดีในทุกผู้ใดยินดีในทุก์ผู้นั้นก็ไม่พ้นจากทุก์ผู้ใดยินดีในรสอาหารนั่นเองผู้นั้นชื่อว่ายินดีในทุกผู้ใดยินดีในทุกผู้นั้นก็จมกองทุกผู้ใดยินดีในสัมผัสผู้นั้นชื่อว่ายินดีในทุกผู้ใดยินดีในทุกผู้นั้นก็ ไม่พ้นจากทุก์ก็คือต้องวนเวียนวนเวียนกระทุกอยู่อย่างเนี้ยคือไม่ได้ก็ต้องมาเห็นมาได้ยินมารู้กลิ่นลิล้นรสรู้สัมผัสเมื่อจะต้องมารู้ก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายใจพอต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวอะไรบ้างละ่ะที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่แต่มนุษย์แล้วปลาช่อนมีไหมปลาดุกมีไหมชอบกินปลากันไหมชอบกินกุ้งกันไหมชอบกินเป็ดชอบกินไก่กันไหมไอ้ที่พูดมาทั้งหมดมีตาหูจมูกลิ้นกายใจกันหมด แปลว่าถ้ายังอยากเห็นอยากได้ยินรู้กินลิ้มรสสัมผัสเดี๋ยวก็ต้องไปวนมีขนันห้ามีอัยชนาสิอนสองแบบปลากุ้งเต่าหอยหมูไก่เป็ดอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ฉลาดบัณฑิตทั้งหลายเมื่อเห็นโทษว่าอ๋ออาศัยเพียงกามาฉันทะคือความพอใจความพอใจพอใจในสี่สิ่งกรสสัมผัสนี้เอง ถึงเดือดร้อนกันเช่นนี้งั้นเราฉลาดกันไม่เอ่ยในที่นี้พวกโยมเป็นบัณฑิตหรือเป็นคนพาลเป็นบัณฑิตเนาะยอย่าตอบว่าพาลนะโยมนะ <c oughs> เมื่อเราเป็นบัณฑิตเราจึงละละความอยากความพอใจเพราะถ้าเราไม่ละสุดท้ายเดี๋ยวเราก็ต้องพลาดไปเป็น เป็ดไก่วัวหมูหมากุ้งไม่อยากเนอะโยมเนอะตมาเาก็ไม่อยากตมาถึงมาบวชเนอโยมนั่นเองนะโยมนะง่ายแค่นี้เลยโยง่ายไหมละละความต้องการอือแต่พอเรายัางละพูดปุ๊บละละไม่ได้การเจริญกรรมฐานทั้งหมดไม่ว่าจะจะเป็นศีลสมาธิจึงต้องเอาเข้ามาใช้อนาปัสสติโยมจึงต้องเอามาใช้เพราะ เมื่อเราเจริญอาณาปสติรู้มีสติรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่นั้นนะสติเมื่อเกิดขึ้นสัมมัญญาเมื่อเกิดขึ้นอกุศลทั้งหลายหรือกลุ่มนิวรธรรมก็จึงหยุดไปการมัฉันทะหรือตัณหาก็หยุดเมื่อกามัจฉันทะหรือตัณหามันหยุดไปเวรานานนานๆาเข้าตัวสัมมัญญะหรือปัญญามันจะเกิดมาแทนที่กันเมื่อเกิดมาแทนที่กันได้กัมยาปัญญาเมื่อมีกำลังมันจะเห็นมันจะทํากิจกรรม เมื่อปัญญามันเกิดขึ้นมาได้สามัญชนญาณมันเกิดขึ้นมาได้บ่อยเข้านานเข้าถี่เข้าจนมันเกิดขึ้นระยะใหญ่ๆระยะหนึ่งเลยมันจะมีกําลังเมื่อมันมีกําลังมันจะทํากิจกรรมที่มันควรทําได้อย่างแน่นอนเพราะมันศาสนาพุทธของเราพูดพูดกับความเป็นเหตุเป็นผลพูดว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีบอาไอ้สิ่งไอ้สิ่งที่เกิดจากสิ่งนั้นนั่นแหละมีมันจึงเป็นปัจจัยอีกสิ่งหนึง่ง และสิ่งที่เกิดขึ้นมาอีกไอสิ่งเนี้ยมันก็จะเป็นปัจจัยกับไอสิ่งถัดๆไปถัดๆไปกันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเริ่มการทำเริ่มจากความเข้าใจที่เราเริ่มเข้าใจอ๋อรู้แล้วว่าต้องเริ่มจากการมีศีลสมาธิปัญญานะและขั้นตอนของการรักษาศีลเป็นเช่นนี้รักขั้นตอนของการเจริญกรรมฐานที่เรียกว่าสมาธิด้วยปัญญาด้วยคืออันนี้ในคข้อนี้คือการเจริญอนาคามิติเมื่อเราเข้าใจมันความเข้าใจว่าต้องทําอย่างนี้แล้วเข้าใจเข้าใจตามขั้นตอนแล้วเราก็ทํามัน เมื่อเริ่มทํามันนะมันก็สิ่งนี้มีขึ้นคือการได้ยินได้ฟังวิธีการมีขึ้นก็เกิดกาโยนิโสมนสิการก็คือเริ่มทำคือน้อมใจไปเมื่อเริ่มทำสัตธรรมะปฏิปติคือการปฏิบัติธรรมก็เกิดขึ้นนะเมื่อการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นคันลองเหตุการปฏิบัติธรรมก็จะค่อยๆเป็นไปของมันเองเห็นไหมโยมถ้าพูดตามหลักโสตาปญญาข่าธรรมนะเมื่อครบกริยาณมิตร นะการยมนิชก็จะบอกกล่าวภาษาธรรมคือคําสอนพุทธเจ้าเมื่อครบกัรยมนิชการยมนิชบอกกล่าวภาษาธรรมเราก็เริ่มเข้าใจภาษาธรรมะบาลีหน่อยน้อยโยมเนาะเขาเรียกว่าโยนิโสมณฑสิการก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อเริ่มมีโยนิโสมณฑสิการเทลนิสจิลนิสเริ่มมีมากเท่าไหร่ก็น้อมไปในการประพฤติปฏิบัติมากเท่านั้นนะเมื่อเริ่มประพฤติปฏิบัติผลของการประพฤติปฏิบัติ สัตธรรมะปฏิปติก็ค่อยๆเกิดขึ้นนะสำนวนสำนวนโบราณเขาเรียกว่าปฏิบัติทำน้อยคอยตามทำใหญ่ถ้าภาษาบาลีนิดหนึ่งก็เรียกว่าเมื่อจเจริญบุพภาคมักมักเบื้องต้นก็จะเป็นปัจจัยแก่มักเบื้องปลายนะทำน้อยคือบุพภาคมักคือสคือกลุ่มที่เรามาเริ่มจเจริญ น, นี่แหละเมื่อมีสติสัญญาเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมักเบื้องปลายก็จะเกิดขึ้นเห็นไหมถ้าพูดเป็นคันลองคันลองของ เหตุปัจจัยของการและการดูมันไม่มีอะไรยากนะโยมเนาะดูไม่มีอะไรยากทุกอย่างสามารถเป็นไปได้ตามขั้นตอนของเขาเราอย่าใจร้อนอย่ารีบนะเหมือนกับเราตอนเราเป็นเด็กๆ เ, เรียนหนังสือเรียนปหนึ่งถ้าอยากจบเลยอยากรู้ว่าเรียนปหนึ่งแล้วอยากรู้ว่าจบมาหาลัยแล้วเป็นยังไงมันจะลําบากแคลนนะโยมแต่ถ้าเราตอนตอ น, ตอนเด็กๆที่เราเรียนจบมาได้เพราะเราเรียนปหนึ่งเราก็เรียนปหนึ่งอาจารย์สอนอะไรเราก็เรียนไปเพราะ พอเรียนปหนึ่งพบจบชั้นปหนึ่งก็ขึ้นชั้นปสองพอขึ้นชั้นปสองเราก็เรียนตามอาจารย์สอนชั้นปสองแล้วก็ขึ้นมาเป็นชั้นๆชั้นๆชั้นๆสุดท้ายก็จบความรู้ที่ควรจะจบได้แล้วก็ทํางานทําการได้ฉันใดการเจริญกรรมฐานก็เป็นนัยยะอย่างนี้แล้วพอจะเข้าใจเนาะผมถามแทนแล้วกันเนาะอย่างนี้เราพอเข้าใจแล้วว่าเราเกี่ยวข้องกับการยังไงนักบวชต้องเกี่ยวข้องกับการไหม เกี่ยวไหมเออโยมก็เป็นนักบวชแลเนี่ยตอนเนี้ยไม่ใช่โทษอาตมาเนี่ยเออสรุปโยมต้องเกี่ยวข้องกับกามยังไงเออฟังมาทั้งหมดเนี่ยโยมต้องเกี่ยวข้องกับกามยังไงวางท่าทียังไงหรือใช้ประโยชน์จากกามยังไงครับโยมเกี่ยวข้องกับกามยังไงโยมตาบไดที่ยังมีตาจึงต้องเห็นสีไหมตาบไดที่ยังมีหูจึงต้องได้ยินเสียงไหมตาบได้ยิ้งจมูกจึงต้องรู้กลิ่นหยาบอะไรที่มีริ้นก็ต้องรู้ รถตาบใไที่ยังมีกายก็ต้องรู้สัมผัสเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เครื่องเชื่อมต่อวัตถุกรรมคือตาหูจมูกลิ้นกายแม้แต่บางทีเราหลับตาแล้วใจยังน้อมนึกได้ไหมนึกถึง4ี่เสียงที่ลดสัมผัสได้ไหมได้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานั่นแหละมันก็น้อมไปยินดีในตาสี่เสียงที่รถสัมผัสได้คือวัตถุกรรมได้มันจึงออกจากกามตัววัตถุกรรมไม่ได้ ออกจากวัตถุกรรมไม่ได้นะแต่ที่ออกได้คือออกจากอะไรเอ่ยออกจากกิเลสการมได้คือออกจากตัณหาได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเรายังวนเวียนอยู่กับตาที่เห็นสีหูที่ได้ยินเสียงนะก็คือตัวเราเนั่ยแหละตาที่เห็นใครเห็นใครเห็นเราเห็นใครได้ยินเราได้ยินใครรู้กลิ่นเรารู้กลิ่นใครรู้รสเราก็รู้รสใครรู้สัมผัสใครคิดใครจเจริญกรรมฐาน ใครฟังก็มีแต่เราทั้งนั้นนั่นเองก็เป็นเรานั่ยแหละที่ได้ยุ่งกับวัตถุกลางใช่ไหมโยมเพราะเราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวเราตาหูจมูกลิ้นไก่ตัวเราเพราะฉะนั้นไอ้กามาทำนะมันก็วนๆมันก็คือตัวเรานั่นเองตัวคนอื่นนั่นเองเรามีสีไหมลองมองไปที่ตัวเราสิมีไหมมองไปที่มือมองไปที่ขาสิเรามีเสียงไหมไม่ต้องพูดก็ได้เอามือตีกันก็ได้ยินเสียงนี่มันเสียงเกิดจากตัวเราใช่ไหม เรามีกลิ่นไหมลองดมดูสิดมรักแล้ดูซิมีไหมรสไม่ต้องเอาลิ้นไปเลียอะไรโ ย, ยมแค่น้ําลายเรามีรสไหมมีเรามีสัมผัสไหมเราเนื้อถึงตัวเราเองได้ไหมเนึกถึงผมขนเล็บฝันหนังตัวเองได้ไหมแปลว่าเรามีกามมาทำครบนั่นแหละโ ย, ยมนะก็คือไอ้กามนั่นนะ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวเราด้วยนะ เพราะฉะนั้นกามันจะวนๆอยู่รอบเราแล้วก็คือตัวเราด้วยนั่นเองทั้งเป็นตัวเราและเป็นตัวสิ่งแวดล้อมของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจึงมาฝึกละความยินดีคือกิเลสกามนะละความยินดีคือกิเลสกามเครื่องมือในการละก็เริ่มจากศีล น, นะเช่นศีลห้าศีลแปดนะมีศีลกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าอินเะสียสังวรศีลนะ เป็นการสังวรสังวรการเห็นการได้ยินรู้ ก, กิ่นรู้รสและรู้สัมผัสคือสังวรไม่ให้ตาเห็นสีหูได้ยินเสียงจมูกรู้กลิกก่นรู้รสกายรู้สัมผัสแล้วความกำหนัดคือยินดีพอใจเกิดขึ้นนะเพราะเรารู้ว่าไอ้ความยินดีพอใจนี้เป็นโทษอย่างมหาหันนั่นเองนะและมันก็อยู่กับเราตลอดเวลาเราออกจากมันไม่ได้หรอกตายังง่ายนะโยมนะไม่อยากเห็นสีทําไงรับตา ได้ไหมง่ายถ้าไม่อยากได้ยินเสียงทําไงเอาไม้มาแทงหูทิ้งไม่ได้ยินแล้วอยู่ไม่ออยากรู้กลิ่นทําไงอุจจโปกได้ไหมไม่อยากรู้รสทาไ ง, ออไไไอาไงเอาลิ้นดึงลิ้นออกมาเอามีดตัดทิ้งได้ไหมแล้วถ้าสัมผัสอะไรจะทำไงและคิดนึกอะจะทําไงเพราะใจก็คิดถึงสี่เสียงยี่รสัมผัสได้อยู่ดีพุทธเจ้าจึงไม่สรรเสริญวิธีการคือทําลายอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทิ้ง แต่สอนให้เราเป็นเหมือนราชสีนะเหมือนราชสีถ้าเป็นเหมือนหมาหมาเวลาโยมลองดูนะโยมนะใครบ้านใครเลี้ยงหมาเดี๋ยวจะเป็นหมาบ้านอื่นนะโยมนะเอาไม้โยมเอามาไม้าไมยาวๆหน่อยไปแย่มันแย่มันที่มันมันจะทำไงมันจะทำไงมันจะกัดมันจะกัดอะไรโยมถ้าไม้ยาวๆมันจะกัดใครมันจะกัดไม้ดันดีเลยโยม กัดงับงหมาดุก็กัดไม้นงะโยมจะดุแค่ไหนก็กัดไม้แต่ห้ามทําอย่างนี้กับราชสีห์นะเหลือเสือโคร่งอย่างนี้เป็นต้นอย่าทําใส่เข้าโดยเด็ดขาดถ้าเราเอาไม้ยาวๆนะไปทิ่มใส่มาใส่ราชสีห์เสือเหลืองพวกเสือโคร่งพวกนี้นะทิ่มมันจะทำไงโ ย, ยมมันจะหันมามองเราแล้ ว, ลวกระโดดใส่เราเลยถูกไหมโยมถูกไหมหรือมนุษย์ ถ้าเอาไม้ไปตีเขาเขาจะตีไม้หรือจะตีเราเขาจะโกรธไม้หรือเขาหันมาเล่นงานเราเล่นงานต้นตอเหมือนกันเลยโยมพรเจ้าก็สอนแบบนั้นเหมือนกันเมื่อเมื่อไอตัวที่ส่งความทุกข์ทั้งปวงมาให้คือตัณหาเราจะมัวทำลายตาหูจมูกลิ้นทิ้งเลยเพราะตราบใดที่ต้นตอมันยังอยู่มันก็จะเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจใหม่ๆ ใ, ใ, ให้เราอยู่ดี บัณฑิตทั้งหลายจึงละที่ตันหาคือละที่ความพอใจนะเพราะฉะนั้นเราก็ละมันเนาะแล้วที่มีคําถามคือไอ้กามเนี่ยมันอยู่รอบๆตัวเราใช่ไหมใช่วิธีการละก็ละจากอินทรีย์สังวรจากปฏิโมกสังวรเ แ, และอินทรีย์สังวรปฏิโมกก็เช่นศีล8ที่โยมนักษาการอยู่นี้อินทรีย์สังวรก็คือการระมัดระวังการเห็นการได้ยินรู้กินลี้นวดไม่ให้ ยินดีและขัดเครืองในการเห็นทุกการเห็นในการยินได้ยินทุกการได้ยินเป็นต้นนั่นเองเนาะเออมันต้องเป็นการฝึกกันทั้งนั้นแหะโยมเมื่อได้ยินก็รู้รู้ก็เอาไปลองทําลองทําก็มีผลของการลองทํานั้นเองเข้าใจมากขึ้นนะโยมเนาะเดือดสองนาทีแต่พอดีขอถามต่อเนื่องล็กนิดนึงแล้วกันเนาะคือไอ้ฟังนะี่ยพอเข้าใจนะครับแต่ว่าแบบเวลาเนี่ยกลับไปที่บ้านเขาถามว่าไปไหนมาไปปฏิบัติธรรมมา เพื่อนบ้านมังม่งญาติมั่งพอบ้านมัง่งเอา้าปฏิบัติทําแมงเดินห้างอะแมงกินอร่อยอยู่อะเฮ้ยพูดแค่นี้ทำไมโกรธอะขึ้นเลยอะ่ะปฏิบัติทํามาแล้วขึ้นเลยครับกลับไปบ้านทำยังไงเขาพูดอย่างเนี้ยให้ตอบเขาหรือถ้าตอบเขาบอกว่าอ๋อเขาปฏิบัติที่สํานักที่วพุทธมากลับบ้านไม่ได้ปฏิบัตินี้ <c oughs> ความโกรธใส่คืนได้แล้วตันหาใส่คืนได้แล้วอย่างนี้หรือเปล่าโยเอาอย่างงี้ไหม ไม่เอาเนาะถ้าอย่างนี้ปุ๊บทุ ก, ก็กลับมาใหม่เขาเรียกว่ามาพักร้อนที่วพุธ๊ธมาพักร้อนเหมือนไปเที่ยวเที่ยวภูเก็ตเจ็ดวันอย่างนี้เป็นต้นเนาะไปเที่ยวระยองเจ็ดวันนะแต่ที่จริงคือเราก็ต้องค่อยๆขัดเก่ากิเลสของเราไปค่อยๆเข้าใจหลักการตั้งแต่ต้นว่าทำไมละ่ะทำไมหนอทำไมละ่ะทาไมเอย่ยเราจึงต้อง มาฝึกปฏิบัติขัดเกาลาทั้งหมดเพื่อละกิเลสแต่พอเรากลับบ้านปุ๊บแน่นอนนะเมื่อเราเข้าไปเจอสภาพเดิมๆ เ, เกา่เกาๆนะไม่ได้คำนี้ไม่ได้พูดไปเพื่อให้โยมไปแก้ตัวนะโยมนะแต่ให้โยมเข้าใจให้เข้าใจนะไม่ใช่แก้ตัวว่าเมื่อเรากลับถึงบ้านองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมเดิมๆมันก็กลับมาเมื่อสององค์วัตถประกอบสิ่งแวดล้อมเดิมๆกลับมาปุ๊บ สัญญาเก่าที่เราเคยสําคัญว่าความเข้าใจสัญญาแปลว่าความสําคัญสําคัญแปลว่าความเข้าใจเก่าๆมันก็จะกลับมาทํางานเหมือนเดิมเช่นถ้าเป็นผู้หญิงมีสามีเมื่อเห็นสามีเคยงุหงิดถ้าเผลอผู้มันจะงุหงิดเหมือนเดิมเห็นลูกแล้วขี้บ่นแล้วมันก็จะบ่นเหมือนเดิมถ้าเจอการงานการค้าอะไรแล้วเครียดมันก็จะเครียดเหมือนเดิมถ้ามันกุ้มใจง่ายก็ๆๆกุ้มใจง่ายเหมือนเดิม หมดเลยโยมจะกลับไปเหมือนเดิมหมดแน่นอนเพราะสัพเพธรร ม, มานตาตติทําทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นได้องค์ประกอบแล้วมันเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อได้องค์ประกอบภายนอกแล้วกิเลส ท, ทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นคือสี่สิ่งลดสัมผัสที่ทําให้เคยเข้าใจว่าอะไรจะเกิดมันก็จะเกิดแน่นอนแต่แก้ได้ไหมได้ด้วยอย่างไรด้วยโยนิโสมนสิการใช้ศัพท์นี้หน่อยเนาะแล้วจะแปลด้วยโยมถ้าบอกแค่นิยมมุนแน่เลย โยนิสโสมนานสิการแปลว่าการตั้งใจว่าถ้าเราเคยหงุดหงิดเป็นคนขี้บ่นเป็นไหมไม่เป็นเนาะนักปฏิบัติธรรมไม่ขี้บน่นนะเราปุ๊บกลับไปปุ๊บถ้าเราเคยสมมุติเราเป็นกลับไปปุ๊บเราก็จะตั้งใจว่าเราจะไม่บ่นง่ายไม่บ่นเก่งนะหรือว่าเราเคยมีติดเครียดง่ายอะไรง่ายปุ๊บเราก็ตั้งใจไว้ล่วงหน้าว่าเราจะไม่เป็นเช่นนั้นอีกการตั้งเจตนาที่จะทําเช่นนี้จะทําให้ทุเราลง ค่อยๆทุเลาลงค่อยๆนายโยมนะแล้วก็การที่เราจงใจตั้งใจที่จะออกจากกิเลสเหล่านั้นความโลภเช่นเมื่อกี้บอกว่ากินอาหารแล้วก็ยังอร่อยสนุกสนานกับการกินเห็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดนะคุยกับหัวหน้างานคุยกับลูกน้องคุยกับลูกค้าแล้วก็หงุดหงิดนะเราก็ให้ตั้งใจใหม่ ตั้งใจใหม่ว่าเอาละเราก็จะเป็นคนไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อตั้งใจใหม่ปุ๊บกิเลสเหล่านี้ก็จะทุเราลงแต่ถ้าเราฝึกที่นี่แล้วรู้สึกว่าโอ้ที่นี่ปลอดโปร่งแล้วกลับไปไม่น้อมใจที่เรียกว่าโยนิโสมานิสิการปุ๊บเราก็จะกลับไปเหมือนเดิมถ้ากลับไปเหมือนเดิมเขาเรียกว่ามีอายุโนอโยนิโสมานิสิการคือน้อมใจผิดน้อมใจผิดก็คือแบบเดิมนะโยมเขาเรียกน้อมใจผิดแบบใหม่คือต้องพยายามน้อมใจคือเข้าใจใหม่ๆตั้งใจใหม่ว่าอะถ้าเจอคนอื่นตําหนิทําไงไม่ตําหนิตอบ ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีกรรมสักตาสัมมาทิฐิที่แข็งแกร่งขึ้นนะมีกรรมสักตาสัมมาทิฐิที่แข็งแกร่งขึ้นหมายความอย่างไรหมายความว่าเราเข้าใจปัญญาที่เข้าใจว่าถ้าบุญเกิดขึ้นผลของบุญก็จะเกิดบาปเกิดขึ้นผลของบาปก็เกิดขึ้นความต้องการที่เป็นโลภะจะมีผลไม่ดีความต้องความโกรธความมุ่หงิดความกัวม ง, ง, ว, กงวลใจความเสียใจที่เป็นกลุ่มโทสะ ก็จะให้ผลไม่ดีเมื่อบุคคลเข้าใจว่าอ๋อโลภะมีผลไม่ดีโทสะมีผลไม่ดีเป็นต้นก็จะหยุดโลภะโทสะทันทีเห็นไหมมันเป็นคันลองของความเข้าใจนะโยมเนาะนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องค่อยๆเรียนรู้และอยู่ใกล้กับบัณฑิตไมใช้สัพโมละใช้สัพ์แบบบาลีหน่อยเรียกว่าบัณฑิตะอยู่ใกล้กับบัณฑิตก็คืออยู่ใกล้คนที่จะคอยบอกคอยเตือนเราคอยคอยแนะนําเราว่าเอออย่าปล่อยให้กิเลสเกิดถ้ากิเลสตัวนี้เกิดผลจะเป็นอย่างนี้นะถ้า ถ้า hmm. โลภะเกิดผลจะเป็นอย่างนี้นะโลภะมักใช้สิ่งที่ตรงข้ามอยากและจะผิดหวังนะโลภะจะเป็นอย่างนี้เมื่อโลภะเกิดขึ้นต้องการมันจะผิดหวังหลังจากผิดหวังแล้วจะเกิดความโกรธเมื่อความโกรธเกิดขึ้นก็ใช่สิ่งที่ไม่น่าพอใจทั้งหลายตามมาอีกเต็มไปหมดนะเช่นชีวิตก็จะลําบากทุกยากประสบความล้มเหลวความเดือดร้อนอะไรต่างๆนั้นอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเมื่อเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้และถูกชี้แนะแนะนํากล่าวบอกเราก็จะค่อยๆหยุดมันได้